ต่อจากนี้ไปเป็น 2532ณพุทธสถานสติยโสกขอเชิญ นะที่เราฟังธรรมกัน 2516 จนกระทั่ง 16 ปีเอ่อ 17 ปีย่างแล้ว 16 นะที่ 16 ตั้งแต่ย้ายไปใหม่ๆเนี่ยทําวัด นะ, 3 เวลาเช้ากลาง ตอนแรกๆมีทั้งทำวัดเช้าทำวัดกลางวันแล้วก็ทำวัดเย็นอีก 6:00 น. อ่า น่ะบรรยายกันเองเรียนกันไปไม่ได้มีงานอะไรมากที่จริงแต่ <s> บททําวัดชาวบ้างบางครั้งบางคราวที่เราเคยทําอาการกระทําโดยการเรียนปริญญาปฏิบัติ ผู้รู้ที่ได้รู้ก็นําสิ่งที่มีจริงแม้จะ ธรรมสมาธิฐิตั้งแต่พระตอนแรกเลยที่จะรู้ว่าชีวิตเนี่ยที่จะพ้นทุกข์ คนตั้งแต่ปุถุชนกับคนที่เป็นอริยะอริยะๆเห็นทวนกระแสอย่างที่ เป็นปาระเป็นการ บำเพ르 เป็นการไม่จบไม่สิ้นจะต้องเห็นๆเลยนะๆนี่จะๆเลยโอ้การเป็นอยู่อย่างนั้นวนเวียน โลกิยะหรือหรือโลกก็คือโลกสุขๆคนที่เคยเป็นอย่างนั้นเป็นความสุขชนิดที่จะต้องหมุน ที่จะหลุดพ้นอย่างแท้จริงๆเพราะ เราจะเห็นได้เลยว่าๆส่วนโลกิยะหรือว่าธรรมดานั้นพระๆนะ ในโลกธรรมดาที่คนเราจะมีความสุขแบบโลกียะพยายามเก็บหอมรอมริบอย่างที่ก็เป็นผู้ปกปักรักษาเก็บงอมเก็บ เป็นอยู่อย่างสุขสบายอะไรของเค้านั่นการอธิบาย คือมันมากิเลสที่เป็นกิเลสอยู่โดยตรงมันไม่ได้ จนกระทั่งถึงจะได้มาด้วยภพชาติความสมใจนึก เป็นเพราะว่าพบเป็นเพราะว่าตัณหาแล้วก็เป็นอยู่สุขอยู่อย่างมันหนักลาภยศสรรเสริญรูปรส แล้วแล้วก็สร้างอารมณ์เป็นพบชนที่เกิดตั้งเข้าปั่นแล้วเค้าก็สร้างอารมณ์ๆอยู่ในจิตบางคนก็ต้อง เก่งสึกกดจิตให้ได้ดับได้พักได้หยุดได้เสร็จแล้วก็ไปภาคภูมิกับเป็นลาภเนี่ยเป็นลาภอีกชนิดนึง จะสงบรมงับก็ตอนแรกๆก็ยังไม่เก่งพอตอนหลังๆ ลาบยศรูปรถขึ้นเสียงสัมผัสอีกทีนี้ เก่งกาจอะไรทั้งความรู้ความเก่งนอกโลกใน แล้วก็เป็นลดทั้งเพราะว่าตัณหาประเภทที่ เนี่ยรุศีอาลันดาบทอุทกกดาบทเนี่ยได้ได้สภาพพวกนี้ก็นึกว่าเนี่ยเป็นสูงสุดพระสมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงได้เข้า รูปพ้นยังอยู่เหนือเป็นโลกุตระมันได้แต่แค่สะกดจิต เดือดร้อนมันเอาปลัดเอาเปรียบมันแย่งชิงกันแข่งขันกันถึงแม้จะร่ําจะรวยจะเป็นโลกียสุขอยู่ไร วิธีการที่หนังสือกดจิตสงบสงบเนี่ยเค้าก็ชอบแล้วเค้าโอ้มันไม่หนักหนามันไม่วุ่นวายมันมันสุก ไปสอนวิชาอย่างนี้ร่ํารวยกันทั้งนั้นน่ะเพราะพวกไปให้ครูบาอาจารย์ที่ไปสอนวิชานี้อายุไป 11 ขนานะเป็น เป็นจากอินเดียเนี่ย 11 แต่แลเป 30 แล้วมั้งเดี๋ยวนี้นั่นน่ะจนจากอินเดียไปหากินที่อเมริกาเนี่ยอ่าฤาษีตั้งแต่เด็กจนกระทั่ง มันกําลังมีอะไรต่ออะไรมันระเริงมีเยอะแยะซับสริงขันนั่นนี่อะไรต่างๆนานามันมีเยอะบําเรอไปสุดๆ เขาจะหยุดอยู่งั้นน่ะแล้วก็จะได้เป็นเรื่องธรรมดาของขั้น มนุษย์จะค่อยๆพัฒนาจากโน่นจากนี่มาจิตวิญญาณได้ค่อยๆเอ่อรับทราบ อ่ะตักลิมะฐานเนี่ยๆนะพูดแต่เบื้องต้นง่ายๆว่าการทรมานตนการทรมานตนน่ะเขาแปลเอาความขลุ้มตีภาษานี่ก็ตามอัตตะกิริมทัพแปลว่าความลําบาก ภาคเพียรจริงๆอ่าทรมานตนด้วยความภาคเพียรเค้าแปลว่างั้นๆแล้วๆแต่ไม่หมดอัตตาเค้าแปล หรือแต่เขาก็แค่นั้นเองตนอ่ากิเลมัถะแต่เค้าก็แค่นั้นเองแปลเอาแต่แค่ว่าทาบทรมานตนๆที่เค้า มันเห็นทุกข์เค้าก็ทํากันโดย มันได้ทําตัวเองภาคเพียรอย่างทรมานอย่างลําบากมาอย่างไรก็แล้ว มีหมดตัวตนเนี่ยมีศาสนาพุทธเท่านั้นน่ะที่รู้จักเท่าทันอัตตารู้กิเลสที่แท้ว่าเป็นตัวตนของ เป็นอัตภาพทรมานตนเปล่านะลําบากลําบนมามากมายแต่ไม่หมดอัตตาลักษณะอย่างนี้แหละยังไม่ค่อยเข้ารูปปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ อ่าแล้วก็ต้องพยายามภาคเพียรเป็นผู้ภาคเพียรจริงๆเลยเค้าก็ชอบตบะธรรมกันสมัยโน้นก็ชอบตบะธรรมกันไม่ยุ่งสมาธิหลับ ให้มันนิ่งให้มันดิ่งเป็นวันๆไปเลยกี่วันหลายวันก็แล้วแต่ๆใครมีมากๆหนักๆแล้วให พระพุทธเจ้าไปชี้ให้พวกเราเข้าใจพบถึงทาง 2ๆ เหมือนหมาหยาบๆแต่แค่ว่าทรมานตนอัตตกิริมถานุโยคก็คือเป็นทรมานไปทําอะไรต่อไรซึ่งง่ายๆเป็นภพนอกหรือซ้ําไปเราเข้าไม่เข้าใจคือการ หมายหมายความว่าทําปฏิบัติธรรมเพื่อละภพแต่เสร็จ อัตตายิ่งโตยิ่งมีภพใหญ่เป็น สภาวะที่กําลังคลี่คลี่ให้คุณฟังกันนี่ คืออะไรกันแน่เพราะอธิบายกันเหมือนกันนะบอกว่าเออติดรูปรสกลิ่น ติดความนึกคิดถ้าไม่ได้ไปติดติดเดชแต่ท่านไปติดเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นภพแห่งความรู้ความนึกศึกษาค้นคว้าหลัก คิดแล้วก็คิดแล้วก็พูดแล้วก็คิดถ้าก็พูดไม่พูดก็เขียนเขียนเป็นมันเคลี่ยวอยู่ก็อธิบายมันเคลี่ยวอยู่ก็เขียนตํารับไป 6,000 ไปได้ความหลากหลายแห่งความรู้อร่อยนะ อร่อยแล้วมันชี้ชวนมันจะมีมันจะผ่านน่ะมันจะผ่านคนเรานี่ทางด้านเจโตก็ตามเมื่อไปถึงขีดนึงเนี่ยไปได้รับ น่ะมันเป็นพบเป็นชาติชนิดนึงเหมือนกันเค้าก็ไม่เข้าใจกัน กันในเรื่องความรู้อะไรต่างๆต่างนานากันมากที่เรารับก็วิบากเพราะกรงความรู้กันน่ะพวกพันเอาความรู้อะไรต่างๆต่างๆนานามีวิชาการมีโวหารภาษามีเหลี่ยมคิดที่โอ้โหเรา หลงไหลในความรู้ความเฉลียวฉลาดแต่มันฉลาดวนฉลาดเฉกตาแล้วลึกซึ้งที่ว่านี่คือเค้าโอ้เหลี่ยมมันไป เหตุผลที่รับกันสอดร้อยไปเรื่อยๆแต่ของเรานี่เหตุผลไม่ลึกหรอกเพราะว่ามัน คือจริงๆเขาไม่หยุดเขาจะวนก็นั่นน่ะคือสังสารวัฏชนิดนึงเหมือนกัน เกี่ยวมีสภาพความอยากไปถึงข้างในมีสภาพความจริงๆเมื่อรู้จักตัณหา ไม่ว่าจะมาจากทั้งนอกหรือจะเป็นทางในเป็นภวะตัณหาก็ ผัสสะอันนี้กระทบข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายเกิดความรู้สึกข้างในจึงโอ้เวทนาก็เกิด ต้องการพญาท่านถึงได้ไล่เจาะการแสวงหาน่ะเกิดการแสวง เพราะเราได้แสวงหาก็ขนควายจะเป็นข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเกิดตัณหาแล้วก็ต้องแสวงหารูปรส อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาปริเยศนา มาจากรากศัพท์ที่ว่าลภลอลิงสต่อการตกลงใจนะวินิจฉยะวินิจฉโยการตัด กับสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เรามีพบพบทั้งกามก็ตามพบทั้งพบในพบ ปั่นสร้างเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นรูปนั่นสภาพนี้อะไรก็แล้วแต่หรือเยอะแยะแม้ เอาอย่างนี้น่ะใช้แล้วตกลงใจอย่างเงี้ยถือแล้วเออมันยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวอร่อยไม่ถึงจุดถึงที่วินิจฉัยเป็นการตกลงใจเป็น ถ้ามันไม่สมใจที่สุดมันก็จะต้องแสวงๆอย่างน้อยก็ๆแม้ ตกลงเปรียบเทียบชี้ขาดตัดสินแล้วว่าโอ้อย่างนี้ๆซากๆอย่างนั้นนานเข้ามันก็ เพราะหรือเกิดการชี้ขาดราภจึงเกิดการตกลงใจหรือเกิดการๆแค่จากตัณหามาจึงเกิด ทีนี้ท่านก็ต่อไปอีกว่าเพราะอาศัยการตกลงใจ ด้วยอำนาจความพอใจท่านจะแปลจากภาษาบาลีฉันทราโคฉันทราคะนี่อ่าจะแปลดังที่ท่าน เอ่อมันตกลงใจวินิจฉัยแล้วเนี่ยปล่อยแล้วมันก็เอ้าอย่างนี้แหละ การยึดมั่นเกิดการจดจ่อท่านแปลในภาษาบาลีปดกนี้จาก ถ้าการพะวงเราจะรู้สึกว่ามันเอ๊ะมีจิตพะวงเนี่ยนะมันมันเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้จะต้องไม่สูญหายไปจากเราน่ะเราก็จะ เอ่อเราจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้จะพรากจากเรานี่มันรู้สึกว่า ที่ซอยลึกลงไปมันจะละเอียดละออพระพุทธเจ้าถึงบอกได้โอ้โหท่านละเอียดละออถึงสภาพ หรือแม้จะเป็นการสร้างพบสร้างชาติอยู่ข้างในก็ มันจะต้องยึดมันจะต้องจ้องจดจอออัจโฌสนะเนี่ยอัจโฌสานะสันนะทุกข์ติอัจโฌสานะ พอมาถึงตัวนี้น่ะอาศัยการพวงอาศัยอัปโชสนังนี่ ไม่จากไม่ปล่อยน่ะลักษณะเมื่อกี้อัจโชสานังเนี่ยอัจโชสานังนะมันกลัวที่จะหลุดลอยแต่ลักษณะของปริกโโหเนี่ยเมื่อ ก็ยังดีนะไม่ไม่แปลว่าอาศัยการรักใคร่พึงใจๆกันกับความยึดถือการจด กลัวไม่ใช่ยึดอยู่กลัวการผวงนี่จะมีลักษณะกลัวใช่มั้ยระแวงเกรงว่ามันไม่ใช่จิตหรอกมันอยู่ที่จิตลักษณะของกิเลสที่อยู่ที่จิตมัน เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความนี่ก็ดูลักษณะแล้วก็ใกล้กันแล้วล่ะหวงแหนตรณีก็ มันไม่ต้องการที่จะให้ใครรู้ใครเห็นให้ใครได้ไปจากเราเลยวงแหวนนี่มันเป็นรายละเอียดที่ๆแต่จริงๆเมื่อศึกษาจริงๆแล้วต้องไล่เรียงเพราะ อาศัยความยึดถือมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันขึ้นมาเนี่ยอาศัยปริคคหะปริคคโหแล้วก็จะ ยิ่งมีปฏิกิริยาที่จะเกิดความไม่แตกๆมีๆน่ะถ้า มันเป็นอาการได้มากมายถึงขนาดนี้แต่เราเข้าใจความหมายกันพวกนี้ได้ที่ แตกต่างกันอย่างลึกซึ้งขึ้นไปละเพราะฉะนั้น เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการป้องกันตะหนี่เป็นลักษณะที่เมื่อมันยึด มันศูนย์มันไปจากมันเป็นอัตตาเห็นเป็นลักษณะอัตตาที่ชัด หาวิธีการที่จะป้องกันหาวิธีการที่จะรักษาหาวิธีการที่จะดูแลสิ่งนี้ก็เป็นงานอีกชนิดหนึ่งของจิตเป็นอาการอีกชนิดหนึ่งของจิตเมื่อตรณีทีเหนียวกันอย่างเต็มใครมาไม่ให้อะไรมาดูดมา เรื่องในการป้องกันขึ้นในการป้องกันขึ้นตอนนี้พออาศัยการป้องๆจึง เรื่องในการป้องกันขึ้นในการป้องกันขึ้นเกิดเรื่องเพราะ ก็อันเดียวกันนี่แหละอารักขอารักขนาสัมปทาเข้าถึงสภาพที่รักษาหรือๆด้วย <c oughs> อันที่มาเราพยายามอธิบายอารักขะสัมปทาอรักขนาสัมปทาอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่อย่าง มันเหมือนกับที่เขาว่ารักษาทรัพย์สินเงินทองให้เหลืออยู่ก็ แรงงานด้วยความสามารถด้วยคุณงามความดีไม่ต้องสะสมทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตนมี <c oughs> ทำก็ยังมีบุญเก่าที่จะรักษาตนได้แล้วก็ยังมีบุญเก่าที่จะรักษาได้ภิสูทได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นคนที่เข้า เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นกรรมจากกายกรรมวจีกรรมจากมโนกรรมที่เราเองเรา ไม่ให้มีจิตอกุศลขี้เกียจเห็นแก่ตัวอะไรมันพอเป็นไปได้ไม่ทรมานตนจนเกินการทําได้ก็ ก็จะอารักขสัมปทาจะรักษาคุณความดีถ้าเราขี้เกียจสรีระร่างกายชีวิตทําไม่ออกก็อึดอัดขัด ต้องมาเลี้ยงมาอะไรจะอะไรก็มานะมันก็ขึ้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้จัก เมื่อชาตินี้เราก็ดูแต่ว่าชาตินี้โอ้พวกนี้นี่เราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แก่เขาเลยแล้วเขาจะมาทําประโยชน์ให้แก่เรานี่เราเป็นหนี้ตาย ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้แต่ก่อนเราเคยช่วยเขามาก่อนหรือเปล่าเขามาช่วยเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นศีลอะไรหรอก อย่างเออเราเป็นตัวเหตุก็ต้องคิดว่าเออเราเป็นตัวเหตุที่ให้เขาสร้างบุญซะ ก็ถืออย่างนี้เหมือนกันบังเอิญดีแล้วหลานเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้ๆที่บางทีก็แม้มีอะไรมากช่วยมันเออการกระทํา ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นพึ่งตนที่แท้จริงได้ไม่ได้แกล้งไม่ได้น่ะไม่แกล้งไม่ แทนที่จะไปทําโน่นแทนที่จะไปเป็นบุญคุณอันนี้ ทั้งนั้นที่มันเป็นเหลี่ยมโกงแล้วไม่รู้เท่าทันเหลี่ยมโกงของตนก็โง่อยู่จะสร้างบาปสร้างเวร มีความขนควายที่จะสร้างสรรพุทธเจ้าสอนทุกมุมบัด อยู่เฉยๆมันก็ฟุ้งซ่านไปด้วยซ้ําถ้าเพราะว่าจิตไม่หยุดบางคนจิตหยุดก็นั่งนิ่งเป็นรูปประฌานอรูปประฌานอยู่เฉยๆเป็นภพสร้างภพให้ นิดนึงน้อยนึงเขาไม่รู้สึกอะไรไม่คิดอะไรอากิญจัญญะเขาแปลอย่างนั้นเขาหมายความอย่างนึงน้อยนึงไม่คิดไม่นึกไม่ เป็นอสันยีสัตนั่นเองอาตมาอธิบายไว้แล้วก็ลืมแล้วนะฮะอธิบายไว้ได้ตามเองกลาย ก็คือสัตว์ไม่มีการกําหนดสัญญาเมื่อไม่มีสัญญาไม่ๆเมื่อ 3 คําอากินัญญายตนะอสันญีสัตว์ 3 คำมีสภาวะอันเดียวกันเนี่ยคนไม่เข้า สัญญาเวทยิตตนิโรธอีกอย่างนึงถ้าสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วก็นั่น ไปแปลว่าสัญญาเวทิจิตนิโรธคือดับทั้งเวทนาทั้งสัญญาอ่ะแล้วจะ อสันยีสันพุทธเจ้าท่านไม่เอาลักษณะมันต่างกันอากิญจัญญายตนะก็อีกอย่างนึงใน <c oughs> <c oughs> มาอธิบายความหมายให้สภาพที่ว่ามันยังมีอะไรนิดนึงน้อยนึงอยู่เนี่ย อกิญจัญญายตนะน่ะคือนิดนึงหน่อยนึงยังมีอยู่เมื่อไหร่ก็พยายามทําให้ ไม่ละเอียดพอแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดหมดละเอียดพอแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดหมดนั้นนี่นี้ให้ฟังเล็กๆน้อยนะสิ่งๆแต่ละข้อ บางคนฟังแล้วก็ฟังแต่ภาษามันสภาวะยังแม่ตาไม่ถึงยัง เอามันจะเกิดการฟังธรรมปฏิบัติได้เลยตอนนี้มันจะเกิดการฟังธรรมนะมันจะเกิดเกิดการฟัง แล้วคุณก็จะได้ไปปฏิบัติไปหา อโยนิโสมนสิการเกิดโยนิโสมนสิการจึงเกิดสติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะจึงเกิดการ ไม่เกิดสัทธินทรีย์ไม่เกิดสัทธาภละมันก็ไปศรัทธาแบบคุณ มันจะลงมีกุฏกะเปมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันแสวงหาเหมือนกันมีสติสัมปชัญญะแบบอสัจจธรรมสังวรอินทรีย์ 6 สํวรอินทรีย์ 6 เหมือนแต่แบบอสัจจธรรมคุณจึงได้ทุจริต 3 มาไปศรัทธาแบบโลกิยะคุณไปคบ ที่จะมีที่อสัตย์ธรรมศรัทธาในอสัจจธรรมคุณจะเกิดศรัทธาในอสัจจธรรมเหมือน แต่แบบอสัจจะธรรมคุณจึงได้ทุจริต 3 มาเมื่อ มันไม่ได้รู้แจ้งรู้จริงแล้วมันก็คังขาสงสัยอยู่นั่นแล้วแต่ มันไม่รู้แล้วมันจะไม่เข้าใจในเรื่องที่มันละเอียดละอออย่างรูปประชาณรูปประชาณมันมีเศษ ซึ่งจะเกิดเรื่องในการป้องกันเกิดเรื่องในการป้องกันมันคือการถือไม้ถือ การพูดส่อเสียดการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นคำนี้เรากล่าว เรเซอร์น่ะสะสมไม่ใช่ถืออาวุธปรมาณูวิวาทการกล่าวว่าๆมันไม่พูดหรอกสมัยนี้มันเรียก ไม่รอก็ไม่พูดลงมึงฉันต่ําใครก็รู้สิเออภาษาที่ เขาไม่กล้าเรามึงๆไม่ไม่ต้องเรื่องอะไรชั้นนี้แล้วกันเออจะ อีกมันไม่ไว้ใจกันนึงกลับกันนั้นน่ะมันไม่ตูว่าสอเสียดพูดเท็จอะไรต่างๆนานามันโทษนั้นก็โทษกูกูมึงมึงกันเข้า เราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในภพของจิตมันมีอุปกิเลสลึกซึ้งซับ ความกำหนัดอ่าอาศัยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงเกิดการพะวงอันนี้ใช้พะวงดีนะ เพราะเกิดเพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการป้องกันเพราะอาศัย เออเรามีความตระหนี่เราสลายสติอโศกอัตมาจะต้องไม่พลากจากไปเมื่อเมื่ออัตมาจะต้องไม่พลากจากไป พ่อคุณก็จะต้องหวงแหนใช่มั้ยจะต้องไม่พรากจากไปท่าน อืมเออเอาของของฉันไปทําไมอะไรต่างๆนานามันก็ๆนานาเรื่องราวก็จะเอาก็รู้มีแต่ แล้วก็พยายามสิว่าลึกซึ้งเข้าไปว่าเออเราจะรักษามันก็ไม่เป็นหรอกนะถ้าเพราะว่าอาตมาจะไปคุณก็เอาของอะไร แต่ถ้ามันไม่ได้มันเป็นความรู้ปริญญาก็ ก็ต้องไม่หวงแหนไม่ต้องไปถึงกันรักษาป้องนั้นๆนานาก็เป็นเรื่องของเขาพวกแต่เขาเข้าว่าของดีควร ถ้าเราหวงแหนยื้อยุดกันเกินไปมันก็จะเกิดสงครามบอกให้สงบบอกให้กลับไปปฏิบัติขึ้น 8 อบรมตนเพิ่ม แล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติมาทําให้ตนมีตนเป็นสิ่งนั้น คุณมีปริญญาแล้วเอามาปฏิบัติแล้วให้เกิดปฏิเวธที่แท้จริง นะมีแต่จะเนาจะเหม็นไปแล้วหรือเป็นขี้เถ้าไปแล้วคุณก็มาทบทวนคุณ เป็นอริยสมบัติให้ได้ปรึกษากันใครขาดตกบกพร่องใครรับอะไรไว้ได้อ่ะพินัยกรรมนี่ไม่ต้องเขียนให้ทุกวัน ศีลก็ไม่รู้สมาธิก็ไม่เป็นปัญญาก็ไม่เกิดมีแต่มุดกับมุดไม่มีวิมุตติสัก แต่ถ้าใครรับเป็นคุณได้รับพินัยกรรมอยู่ตลอดเวลาอาตมาจะตายไปนั้นยิ่งได้วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมากมายนั่นคือทรัพย์นั่นคือ อาตมาจะตายก็ให้อาตมาอยู่ยั่งยืนไปชั่วคราวบ้างจะต้องพัดพรากไปนิรันดรก็จริงถ้ามันยังไม่ถึงขั้นถึงคราวที่กูจะแยกไปก็ไม่แยก มันก็เป็นวิบากที่แท้จริงก็เป็น เราไม่เป็นตัวเหตุให้เกิดเรื่องในเอาของอ่าผิดอะไรเรา เพราะฉะนั้นอารักขนาสัมปทาทิฏฐธรรมิกทประโยชน์เราก็เอาประโยชน์ปัจจุบันนี่มี เอ่อจริงๆไม่ได้มีกิเลสประกอบๆไอ้เกลียดเค้าก็มีหน้าที่อะไรเราก็ไม่ได้เป็นสุภาพเป็น ดีพอเป็นไปจะบอกว่าหวงแหนพอรักษาพอแก่การรักษามัชฌิมาไม่ได้ดูเลวร้ายไม่ได้ดูแรงเกินไปอะไรพอประมาณให้เขาแสดง เราก็รู้พอเป็นไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะพออย่าเพิ่งไปเลอะอย่าเพิ่งสูญ ไม่มีใครไปช่วยไม่มีใครไปเหลือเป็นของเศษๆพวกนี้ไม่มีการรักษา แต่ถ้ารักษาขนาดขั้นที่มันมีการแข่งแย่งทะเลาะวิวาทพวกมันหวงแหนมันตระหนี่ทีนิ้วมันรักใครพึงๆต่างๆนานาตามกิเลสอุปกิเลสข้างในนี่ รายละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายนี้นะมันจะประมาณมัชฌิมาไม่ถูกมันจะกําหนดไม่วิวาทเกิดการ โดยการสอเสียดประชดประชันเกิดพูดเท็จพูดโกหกอะไรไปๆนานาไปกันใหญ่นี่ก็อธิบายให้ 2 น่ะ 1 2 ลาบมาจากลาบ 3 วิชัย 1 2 3 วิชัย 4 ฉันตราคะ 5 อัจโฌสานัง 6 ปริกคโห 7 มัชชริยะ 8 อารักขะ 9 ก็เกิดเกิด การป้องกันจึงเกิดเรื่อง 9 ตัวเกิด 9 ตัวสิทธิ์แล้วจาก 9 ตัว 10 10 พอเกิดอารักขาอารักขาธิกรณังแล้วก็ อกุโฏอกุศลธรรมชั่วช้าเป็นศิษย์จากซ่อนกิเลสที่ลึก ขยายออกมาให้พวกเราได้ศึกษาได้เราเรียนมันเป็นเรื่องที่ 10 ชั้น 9 ชั้นขยาย มันแต่มันก็มีแนวมีเหลี่ยมแปลเป็นไทยแล้วมันซนๆก็อยู่นั่นแหละแต่มัน นะอาการเกิดรักใคร่พึงใจหรือว่าความกำหนัดในๆนี้เราๆฝึกๆทิศทางนี้ก็ต้อง อย่าว่าแต่ชาตินี้เลยตายแล้วชาติหน้าเกิดมาอีกทําคนเค้าก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ได้โกรธเค้าอาตมาไม่โกรธเค้าไม่เคืองเค้าหรอกอาตมาถือว่าเหตุ มันไม่รู้สึกตัวเราเมื่อเจอเจ้าอาตมาถึงบอกว่าอย่าทํายังมันไม่กระเตื้องแล้วมันรู้สึกว่ามันแหมมันแถ่มันชัก พึงสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในสังคมให้ได้ไม่ใช่ไปทําสิ่งที่ๆเป็นคน เราไม่ไปทําการอะไรใดที่เขาไปทะเลาะวิวาทไปทําอะไรใดเขากลัวเราไม่ทําหรอกเราเป็นคนที่รู้อะไรใดพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่ เจริญธรรมทุกๆคนทุกคนคงจะไม่ปฏิเสธนะพวกเราชาวพุทธๆสุดยอดอย่าง หรือมีความทุกข์ก็มีความทุกข์ประเภทที่เรียกว่าถ้าคุณเรียนรู้แล้วเช่นนิพพัททุกข์นะทุกข์ว่า ประสบอะไรสัมผัสอะไรบ้างมันก็เป็นทุกข์ที่มันต้องสัมผัสจะต้องอยู่มันเนื่องเกี่ยวอยู่อ่าเป็น การจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือว่าใครไปปวดขี้ไม่ต้องไปขี้เลยมันไม่ปวดมันไม่ทุกข์ลองเจ็บตายมันเจ็บมันป่วยได้จริงๆเจ็บป่วยได้เป็นพยาธิทุกข์ มันเรียกไม่ได้มันเป็นบางทีเราไม่ได้ไปหามาเลยใครอยากได้โรคใครอยาก หนังอวยลูกโคยอะไรต่างๆนานานะคนแก่รู้ดีใช่มั้ยโอยมันไม่ๆก็ยังจะเห็นชัดนะถ้ามันทําได้ เดี๋ยวมันเป็นธรรมชาติเปราะเดี๋ยวมันร่วงไปเลยทั้งมันมันมันเป็นธรรมชาติเพราะสภาวะทุกข์ก็เลี่ยงเพราะ ปยาธิอ่าต้องทูทเทวทัพเกล้งหินทัพประบาดทาห่อเลือดก็เจ็บก็ทุกข์อะไร รูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสัญญาไม่ได้เกี่ยวความไม่เที่ยงก็คือความตั้งอยู่ไม่ได้ บางคนนี่อ้วนเลยนะเราเห็นอ้วนเบาะเลยนะเดินโอ้โหน่าจะสบายเค้าแต่ตามไม่ก็เค้าก็เค้าได้เค้าก็ชินของเค้าอ่ะชํานาญชินของเค้าอ่ะเค้าเป็นอย่างนี้ ถ้าเขาไม่วางใจถ้าไม่ยอมเรามันก็เป็นอย่างนี้เค้าก็สบายสบายเค้าก็ไม่เดือดร้อนอะไรเค้าก็ไม่ทุกข์แต่ๆมันทุกข์นะมันทุกข์กว่าคนเอ่อ อ่าเพราะทุกขขันธ์มันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็พาทุกข์อยู่แต่ว่าเราเองเราเข้าใจสัจจะหรือเข้าใจมันมันมากใช้สัญญาอย่างนั้นสังขารอย่างนี้หรือวิญญาณอย่างนั้นอย่างใด นอกจากทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ทุกข์อริยสัจที่ สรรพทุกข์ที่เรียนตาวุฒิเจ้าท่านค้นพบแล้วว่าเออทุกข์อันนี้ทางอริยสัจเรียนรู้แล้วหมดทุกข์แน่รักไปชอบไปนนไม่ได้สมใจในสิ่งที่รักไม่ได้สมใจในสิ่งที่ชอบมันก็ต้องทุกข์อะไรนี้เป็นต้นมันกิเลสเป็นเหตุสันตาประทุกข์เออทุกข์ อ่าอย่างนี้เป็นต้นสาสาคตสาคตทุกข์ อ่าเล่นไม่ได้แล้วเอออาหารไอบริติทุกข์ก็ทุกข์ที่เล่นไม่ได้ขาดไปตัวนึงเนาะอะไรอีกทุกข์ทางเถรสมาคมจะมาทะเลาะกับอาตมา หรือจะใครจะมาทะเลาะกับอาตมาอาตมาก็เจ้าคู่กัน วิพากษ์ธัมมุลกับทุกข์อาตมาว่ารู้ว่าใจของอาตมาเป็นอย่างไรไหนอาตมาไม่วิพากษ์ด้วยวิพากษ์แล้วก็หาว่าอาตมาวิพากษ์อาตมากล่าวราวอะไรยังไงอภิปราย เราละลาบละล้วงไม่ใช่ละลาบเราเราพูดสัจจะได้ซ้ําไปอาตมาไม่ได้ไปว่าบุคคลอาตมาว่าเรื่องเนื้อหาอ่าที่ยกตัวอย่างเหมือนกันน่ะกินมังคสวิรัตได้ก็ไปว่าเค้าอ่าอาตมาไปว่าเค้าอาตมาว่ากินมังคสวิรัตมัน อ่าไปรุนแรงไปอะไรต่อไรพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้คืออะไรรุนแรงคือกล่าวทุจริตใครกล่าวทุจริตขึ้นมาคือ เค้าเขาเป็นตามตัวตนเค้ามารับทุจริตเค้าเป็นไอ้นี่มันว่ากูใครแต่เราพูดสาสาระของสัจจะเราพูดข้อสภาวะ แต่ไม่ยอมอัตตามานะมันไม่ยอมแม้กูผิดเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่กล้าหรือเค้าไม่มีไม่เค้ารู้ แล้วเค้าก็เลยไม่พูดกระทบกระเทือนใครเลยพูดเรื่องที่มันร้ายแรงหรือรุนแรงดีๆดีดีเนี่ยมันๆก็ไม่โกรธใช่ๆไม่พูดเรื่องร้ายไม่ รีบบอกกัน 1 วินาทีมันก็คือชั่ว 1 วินาทีอยู่ในคน 5 วินาทีมัน 5 วินาทีอยู่ 10 อยู่ในคนชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นปีเป็นฉาก ส่วนดีนะไม่ต้องไปชมมันมากไม่ต้องไปย้ํามันมากเพราะมันอยู่กับเราดีแล้วมันจะอยู่ไปอีกชั่วโมงเลยอยู่ในตัวเรามันดีแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่จะพูดสิ่งที่เป็นความทุจริตหรือๆเลยถ้าอาตมาจะเทศสุจริตด้วย จะแค่ให้ตัวอะไรหรอกพูดวันอาตมาๆอยู่ในวัดมหาธาตุแล้ว ประมาณทํามาได้รอบตัวมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะการประมาณถ้าไม่ใช่การ นี่โดนฟ้องถึงได้อย่างนี้ขนาดนี้ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดแต่อาตมาไม่อยากพูดมากพูดมากไปไปเดี๋ยวก็หาว่าไอ้พวกนี้เล่ห์เหลี่ยมจัดมันไม่ใช่ แล้วก็ไม่ควรพูดเพราะไอ้สิทธิ์ที่มันเป็นขนาดนั้นขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่ดีมันดีมันดีมากมายหลายอย่างเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยเนี่ยๆเสื่อๆเป็นคนใครๆ อาตมาเชื่อนะพวกอโศกเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเชื่อๆเค้าไม่มาหรอกที่อโศกเนี่ยเพราะคนเค้าโพรประทานไอ้เรื่องไม่ดี มันพูดมามันถูกไปตามสัจจะเฉยๆไม่ได้ไปตั้งเจตนาจะชมจะลอยก็ได้แต่ ชาวโซนนี่ต้องมีทั้งปัญญาและเจโตถ้าไม่มีทั้งปัญญาและเจโตที่เพียงพอเฮ้อถามตัว วันไว้ไม่เคยคิดจะออกคนนั้นก็น่าดูเจโตไม่เบาแล้วนะแต่อาตมาว่าเอ้กูไปที่อื่นก็มี ที่อื่นไม่ดีเลยอโศกนี่ทําไมมันอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้นะดาวเธอสิ่งเหล่า ท่านพ้นทุกข์ท่านรู้จักทุกข์อย่างดีและท่านก็พ้นทุกข์ที่สุดเพราะอรหันตพระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าจะมีคุณภาพหรือว่ามีๆใช่มั้ยหรือพระอรหันต์แต่ละองค์มี เอ่อสมรรถนะของท่านต่ําหน่อยปัญญาต่ําฝีมือ พระโพธิสัตว์นี่นอกจากจะศึกษาเรียน 8 หรือว่าอริยสัจ 4 หรือว่าเรียนรู้เนื้อหาของพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่เรียนรู้โพธิข้อตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อะไรเป็นเอกก็ตรัสรู้อริยสัจ 4 ซึ่งทางนิกายเถรวาทนี่ มาอาตมาก็มาวิเคราะห์วันนี้มีมีข้อในที่นี้นะ แต่เป็นเรื่องอะไรก็ได้อย่ามาเข้าใจสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอย่าไปปฏิบัติยุ่งนะเดี๋ยวจะต้อง สิ่งที่จะตรัสรู้พร้อมกันนั้น ไม่มีใครที่จะรู้ได้มากเท่าเรามีใครที่จะรู้ได้มากเท่าเราการเกิดเป็นคนอย่างฐานะพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ฐานะที่โลกใน ยุคการนี้นี่อื้อหือเจ้าพระคุณเลยยุคการนี้มันใกล้กาลียุคมันจะไปหาๆทํางานหนักกว่า ถ้าให้อาตมาเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าวางรากนี้ด้วยเนี่ยอาตมาป่านนี้คงจะมีสัก 5 คนน่ะมั้งเท่าปัญจวัคคีย์เอ่อก็คงจะได้สักเท่าปัญจวัคคีย์น่ะมั้ง น่าเป็นพุทธันดรประจกท่านพระพุทธศาสตรองค์ต่อไปเอ้ยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระสอนเหมือนกันน่ะพระธรรมะ พุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลนานหรือว่าทุกข์น้อยหรือว่าสบายจนสุขแล้วสุขอย่าง <นะ. S 1> ภาพหรือว่ามีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสรุปเพื่อจะให้เห็นว่าคุณเกิดมาคุณเกิดมาเอาอะไรคนในโลกเค้าก็เกิด เป็นภพเป็นชาติที่เราจะปั่นอยากจะว่าวิมานอะไรไปสมใจไปตามเรื่องตามเราบ้าๆบอๆก็ ศีลก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เขาเลยมันไม่ใช่เรื่องมีสาระอะไรเขาน่าอ่านให้ ไอ้ชื่ออาตมาเนี่ยเขียนกันไปสารพัดเลยนะโพธิรัตน์เขียนอ่าญี่ปุ่นเลยนะ R เพลงก็เขียนเลยรักพงก็เขียนนะเขียน เช็คที่ ONT ได้นี่โพสต์ที่รักของหนังสือพิมพ์อะไรมาก็โพสต์แล้วทําไมอ๋อไม่เอกชัยพระโพธิรัก ไม่แน่หรอกขอละทิหลังอาจจะขอละเบาๆก็ได้จะไม่ว่านะโพธิรัตน์มีแฮฟเดอะลาสต์ลาฟโพธิรัตน์มีแฮฟเดอะลาสต์ลาฟนะโพธิรัตน์อาจจะพอละ <laughs> <laughs> <laughs> อ้าวลองนะแล้วค่อยพูดที่คุณภาพมันหมดได้นั้นจริงๆอ่ะเอาอ่านดูได้มี นะคำเว้นเค้าเขียนความหมายสั้นกระชับจะชาวนึงกินความประโยชน์ ยืนคำตัดสินให้จำคุก และจากความย่อหย่อนยันที่สุดโดยข้อ พระพุทธเจ้าได้ทรงทําความแน่ชัดแก่หมู่สงฆ์หรือประมวลวินัยสงฆ์เป็นที่สุดเห็นได้ออกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ยินเสมอว่าพระสงฆ์มี สิ่งนี้นับว่าน้อยมากที่เมื่อเทียบกับพระ กลับใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยจะต้องเงียบตัวเป็นตัวอย่างที่รังแกแม้ว่าศักดินาจะเป็นการปก สิ่งที่พระปฏิรัตน์อายุ 63 ปีได้กระทําคือการเสนอสิ่งที่พุทธศาสนิกชน พวกเขาปฏิเสธวัตถุบูชาและพิธีกรรมโชคลางและดำเนินติดเตียน ผักทออย่างใกล้ชิดความหลักศึกษาซึ่งเน้นความสมดุลระหว่างกิ๋จิตและสสารมนุษย์และธรรมชาติ ในขณะที่พระสงฆ์ที่มีฐานะ ที่พระอุปัชฌาย์ต้องบวชอย่างน้อย 10 ปี ผู้นำแห่งสันติอโศกจะไม่ต้องมีปัญหาอะไร ฝ่ายสงฆ์จะถูกติเตียนที่ไม่สนใจความศรัทธา มันขยายผลไปสู่ปัญญาชนและปัญญาชนนี่แหละจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆๆเขาจะ และทุกอย่างจะดีขึ้นทุกทุกอย่างจะดีขึ้นทุก เป็นผู้ที่โอ้โหอาตมาว่าอาตมาก็คงจะ กว่าจะกลับตัวมาก็อายุป่า 36 กว่าจะกลับตัวออกมา มนุษย์มนาที่โลกิยะมันครอบเอาไว้ที่อาตมาใช้ศัพท์ว่าลิงลมอม จริยวัตรนึงเราก็ไปเรียนๆอย่าง like 6 ปีที่พระพุทธเจ้าออก เป็นเรื่องของพระฤาจเพราะงั้นคนทุกวันนี้ก็ยังไม่ๆนานาไปทรมานทรณกรรมไปทรงไอ้ 6 <em> ปีน่ะสิ่ง มัน honorium นั่นแหละก็คือโลกเค้าเป็นท่านก็จะต้อง กินมันมีอีกมันถ่ายไม่ยินก็กิน ถ้ากระทําจนกระทั่งเนี่ยจะลุกก็ไม่แค่เป็นเพียง ทดสอบทุกอย่างในเรื่องที่ชวนทดสอบในเรื่องที่ควรจะทดสอบนะมีข้อยกเว้นตรงนี้น่ะเอ่ออ่าปะระปวาภะได้อย่าง จะต้องเรียนรู้โลกวิทูเพราะพระโพธิสัตว์บรรลุแล้วแม้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอรหัตตผลก็เป็นความสุขแต่พระ คนที่เราชอบคนที่เรารักแย่งอํานาจบาดใหญ่แย่งทรัพย์สริงคารเงินทองแย่งอะไรต่ออะไรก็แย่งอยู่งั้นน่ะก่อเวร ไม่ได้เรื่องในเราโดยเป็นวักเป็นเวรเกิดมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขนรกสวรรค์นรกสวรรค์มีคู่อาฆาตกันไป ราบได้มันมาเรียนโลกุตตระแล้วก็มาพยายามหลุดพ้นออกไปให้ได้แล้วจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตของมนุษย์ที่ไร้ค่าพวกนี้เลยนอกจาก วิญวายเดือดร้อนมาก